บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวในเรื่องธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานคือาการตั้งสติตามระลึกถึงพระธรรมซึ่งเมื่อว่าโดยสรุปแล้วคำวมธรรมะทั้งหลายนั้น ได้นำเอาธรรมะทั้งสามกลุ่มมาเป็นหลักในการศึกษาระดับสมถะ ก, กรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานธรรมะกลุ่มแรกเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งห้าประการทรงสอในให้ผู้ปฏิบัติศึกษาในแง่ของความเกิดอาการของขันธ์แต่ละกัน์ การเกิดขึ้นของขันนั้นนั้นและความดับของขันนั้นนั้นเป็นการศึกษาในแนวของปริญญาตะธรรมคือแนวของทุกขสัตว์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติยอมรับความจริงว่าสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่ก็ตามลุแล้วจะเกิดขึ้นมาจากเกตฑ์ปัจจัย และในที่สุดก็จะเสื่อมสลายไปแตกดับไปในที่สุดเป็นวงจรที่หาจุดจบไม่ได้สราบเท่าที่เหตุให้หมุนบนนั้นยังมีอยู่ดังการอาิราในแนวนี้เราสามารถจะเรียนได้จากอะไรก็ตามสวนเป็นรูปธรรมใหญ่ๆก็ได้ เย่างแต่ว่าดูยากหน่อยแตนั่นเองเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นปรากฏแก่สายตาคนได้ยากแม้จะมีความเสื่อมสลายไปเปลี่ยนแปลงไปแต่รูปร่งางก็ใหญ่มันก็ดูไม่ได้ชัดเจนใกล้ๆเราจะศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภูเขาทั้งๆ ท, ที่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ดูเห็นได้ยาก จึงไม่ส่งสอนในแนวให้ดูของใหญ่ๆอย่างนั้นส่วนมากแล้วก็จะย่อยออกมาเป็นชีวิตคนหรือสัตว์เป็นภาพใหญ่แล้วคนสัตว์เองคนสัตว์นั่นเองก็จะย่อยเป็นรูปเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันเป็นธาตุเป็นาปนายตนาอะไรอะไรเพราะถ้าเป็นสัตว์ส่วนมันเล็กแล้วก็จะดูได้ง่าย เกิดความเข้าใจได้ง่ายบางครั้งก็ใช้ในแนวอุปมาให้เข็นเหมือนฟองน้ำเหมือนก้อนเมฆเหมือนปุยนุ่นเหมือนตอมน้าเหมือนพยับแดดเหมือนกอกล้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่าในขณะนั้นสเสด็จประทับอยู่ที่ใดมีภาพอะไรที่ง่ายต่อการจะให้คนดูแล้วมองในแง่ของธรรมะก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นในกลุ่มต่อมาก็คือเรื่องนิวรนาปภักดิ์ ซึ่งเป็นปัญหาในด้านจิตใจของบุคคลที่เรียกว่าเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นรุม ร, มรุมใจในลักษณะเหมือนสนิมใจเหมือนขูนเหมือนตะกรนที่มีอยู่ภายในใจเหมือนฝุ่นละอองทุลีโครนตรมต่างๆก็สรุปแล้วก็สกปรกแปดเปื้อนทำสิ่งนั้นๆให้เศร้าหมองไป กิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทหลักที่เกิดขึ้นภายในใจคนแม้จะเราเรแม้จะมีการเรียกชื่อต่างๆออกไปก็ตามแต่พอเกิดขึ้นกลุ่มๆใจก็จะอยู่ในห้ากลุ่มนี้เพียงแต่ว่าอาการอะไรเด่นถ้าก็เรียกชื่อของกิเลสนั้นๆและจึงแนวการศึกษาแนวนี้ก็คือเริ่มมาจากสมุทยัยสัจ แต่เป็นการติดตามดูจิตของตนซึ่งถูกกิเลสกรุ่มรุมในขณะนั้นๆั้นดูเห็นนิวรในแต่ละข้อซึ่งปรากฏแก่จิตของตนในแต่ละขณะการเรียงลําดับโดยการพูดก็ดีโดยการพิมพ์ก็ดีโดยการเขียนก็ดีมันก็มีลําดับอย่างนั้นแหละแต่ยิงก็มีสูตรในการเรียง คืเรียงตามแนวของโลกหลดหลงเป็นหลักเพราะจิตใจของบุคคลอาการที่ปรากฏภายในจิตของบุคคลส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะเป็นอาการของกิเลสกลุ่มโลภะนี้มากมีความอยากได้ปรารถนาต้องการปล่อยควาแสวงหาสิ่งต่างๆมาสะท้องตอบความต้องการของตอนปัญหาความกัดแย้ง ต, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกในสังคม มันเกิดขึ้นจากภาพสะท้อนทางจิตที่ถูกกลุ่ม ร, มรุมด้วยกิเลสประเภทนี้บางครั้งก็มีปัญหาในการต่อสู้ประหัตประหารกันแต่ตัวกระตุ้นปลักดันให้เกิดก็คือเรื่องของความโลภเกิดเป็นึกสงครามขึ้นมาก็คือเรื่องของความโลภอยากได้ดินแดนของบุคคลอื่นอยากชนะได้ทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้ชื่อว่าเป็นวี ร, วรบุรุษวีรชนหรือว่า ไม่อยากจะให้ใครมาเบียดเบียนประเทศของตนเป็นตนซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นอาการของความโลภและการเรียงแบบความโลภอดหลงนั้นมันก็เรียงมาตามศีลสมาธิปัญญาด้วยซึ่งอนนี้ท่านสารชนได้ผ่านการอ่านการฟังการปฏิบัติมาแล้วเป็นอันมากโดยเฉพบว่ากลุ่มนี้ก็จะมีอยู่3าสามอยู่เลย ยงศีลสมาธิปัญญาเรียงนิวรณ์มาตามโครงสร้างของโลกโปรดหลงก็เรียงเป็นโลกโปรดหลงดยศีลเองก็มุ่งไปแก้ที่ความโลภเป็นหลักสมาธิก็มุ่งไปแก้กิเลสประเภทโกรธเป็นหลักปัญญาก็มุ่งไปแก้กิเลสประเภทหลงซึ่งเป็นรากง้าวของกิเลสเพราะในจุดนี้ท่านยังเรียวกวันนิวรณ์ ในการศึกษาในการปฏิบัติจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมนขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจของบุคคลว่าหนักไปในทางใดมากจนกลายเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าจิตจริจตก็คือพื้นจิตที่ถูกปรุงด้วยกิเลสมีความต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัยเป็นอัธยาใส เป็นพื้นเพ จ, จนถึงเป็นจิตสันดานของบุคคลหลนั้นบางคนอ่อนไหวไปในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมากมีการกําหนดหมายอารมณ์ด้วยวหน้าของความรักความใคร่ความปรารถนาแต่ในองจิตใจของบุคคลนั้นมีกิเลสประเภทโลกเกิดขึ้นมากเป็นปผิดปกติหรืออาจจะเป็นปกติของเขา ก็มากลายเป็นลักษณะนิสยัยเป็นพื้นเพเป็นรัตยาสายดังกล่าวทั้งเรียกว่าราค่าจดิตคือคนที่รักสวยรักงามเป็นปกติ่งที้ต้องการไขว่คว้าปราสนาก็อยากได้ในแนวนั้นจนเป็นที่รับรู้กันเป็นสั ญ, ญาลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลพุทธั น, น ก็คล้ายๆกับเวลาเราทําชั่วหรือทําอะไรมากๆเนี่ยท่านก็เรียกว่านักเลงอย่างนั้นนักเลงอย่างนี้เลงหนีงนักเลงเล่นการพนันก็แสดงว่าทํำบ่อยๆทาจนเป็นลักษณะนิ ส, สัยเห็นที่รับรู้ของบุคคลทั่วไปทั้งหมดนั้นที่จริงก็คือภาพสะท้อนของกิเลส ท, ที่มีความตรอเรื่องจิตใจของบุคคลเหล่า น, นั้นถูกกลุ่มกลุ่ม ไปไปสิงสู่คือมีโลภะเไปสิงสู่อยู่ภายในใจก็ออกมาในลักษณะอย่างนั้นจนกลายเป็นพานเป็นบัณฑิตที่เจียวก็ที่จริงก็คือความต่อเนื่องของกิเลสแล้วก็ของธรรมานั่นเองแต่พฤติกรรมสะท้อนกิเลสอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าโกลพานต่อเนื่องมากๆ ม, ม, มีความรุนแรงมากก็เรียกว่าอันตรพานก็แต่ละอย่าง เป็นเครื่องวัดถึงคุณภาพจิตใจของคนเรื่องก็ บ, บัณฑิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนักปราชญ์จนถึงประิะยบุคคลเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็คือท่านสะท้อนธรรมะได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเด็กเพราะในภาคปฏิบัติจริงๆเวลากิเลสเขาเกิดหรือแม้ธรรมะเขาเกิดคือไม่ได้เกิดตามที่เรียงกันมาอย่างนั้นมันเกิดตามพื้นเพของเขา บางคนงุนงิดได้วันนั้นตั้งหลายครั้งบางคนอยากได้นั้นอยากได้นี้ได้โนอนอย่างต่อเ น, นื่องบางคนก็มีลักษณะง่วงนอนซึ่งซึม ง, ง้อยเงาอยู่สม่ำเสมอขาดความกระปรีก้กระเป่าขาดความไม่ตรวงตัวเองบางครั้งก็มือลอยเลื่อนลอยจิตใจไม่เคยสงบพุงสัน้นสั้ยไปในเรื่องต่างๆบางคนก็ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องที่จะทาที่จะพูดแม้แต่จะคิดก็สูญเสียความมั่นใจขงตัวเองมีความเครียดแกร่งสงสัยจนกลายเป็นคนขี้สงสัยหรือขี้ระแวงเหล่านี้ท่านสาธชนทั้งหลายใจเราก็มีเราเจอเราพบคนในลักษณะนี้อยู่ต่ถามว่าทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเป็นการสะท้อนอาการของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกลุ่มรลุมใจขเขาต่อเนื่อง แต่ทำไมอาการไม่เหมือนกันก็เพราะกิเลสที่ครอบงาใจเป็นต่างประเภทกันเมื่อมีกําลังมากเขาก็บังคับควบคุมอาการแสดงออกทางกายหรในการพูดทางวาจาเป็นไปตามลักษณะของกิเลสตัวนั้นเมื่อกลายเป็นจริตในลักษณะอื่นจะบางคนที่มีความหงุดหงิดความไม่พอใจความคิดความอ่านรุนแรงอยู่เป็นปกติเขาเรียกว่าโทสะจริต โกรดง่ายหงุดหงิดงุนง่งานรุนแรงก้าวร้าวบางครั้งก็จนถึงกับไปก่การทะเลาะวิวาทุงเทียงกับคนอื่นไม่ค่อยใช้เหตุผลแต่อย่างที่จริงก็สะท้อนมันเริ่มที่จิตก่อนแล้วคุกกลุ่มอยู่ภายในจิตจนมีกำลังมากและในสุดก็ออกมาแล้ๆกับ ค, ค, ความร้อนที่เกิดขึ้นในกาซึ่เราต้มนำ้ำ ตนนั้งหลังจะเห็นว่าความร้อนมันค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ภายในนั่นเองถ้าไฟไม่แรงมากๆก็ร้อนช้าหน่อยแต่ถ้าไฟแรงมันก็ร้อนได้เร็วแล้วก็ร้อนแล้วมันก็ออกมาข้างนอกร้อนมากข้าวน้ําในการนะก็ร้นออกมาข้างนอกไอเกิเลส ท, ที่ออกมาข้างนอกท่านก็เรียกว่าวิติกมักคือมันร้นออกมา จะถามอะไรล้นออกมาก็คือกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจนั่นเองยิ่งแต่ว่าในช่วงนั้นในขณะนั้นมันก็แรงไปกลายเป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่จริงไม่ใช่ประเภทคือประเภทเป็นประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่าความเข้มข้นมันเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งเราจะเรียกวิติกรม ก, กิเลสแล้วถ้าออกมาบ่อยๆมันก็กลายเป็นพื้นอัตยาสัยของกฎเหล่านั้นก็กลายเป็นพวกตัศาสตร์จะติ ลักษณะของนิวรณประเภทอุตจกักขุกุจหรวิจิกิจฐามาออกมาบ่อยๆก็กลายเป็นโมหันต์เฉล็บเป็นต้นเพราะเรื่องเหล่านี้จึงที่จริงแล้วก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องของสมุทัยศาสตร์ดั้นเด็กแต่ว่ามาดูที่จิตของเราในแต่ละขณะ เห็ว่าการมัฉันตะนิวรณ์ปรากฏขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีการมัฉันตานิวรณ์ปรากฏขึ้นแต่จริงแล้วดูกิเลสเนี่ยดูได้ายากเพราะอะไรเพราะคนเราถนอมตัวเองหลงตัวเองมีความรักความบงใหญ่ในตัวเองแต่มักจะกลบเกลือ่อนอาการของกิเลสหรือการทําการพูดที่ไม่ดีของตัว จะกลายเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างถาวรในหมู่คนทั้งหลายเวลาจะพูดเรื่องความไม่ดีของตัวเองถ้าตัวเองต้องพูดก็จะพูดแต่น้อยพยายามกลบเกลื่อนส่วนหนึ่งเอาไว้หรือถ้ากลบเกลื่อนได้ทั้งหมดก็ดีก็พยายามกลบเกลื่อนทั้งหมดแต่เราพูดถึงความดีของตัวเองแม้น้อยก็จะพยายามขยายให้มากขึ้น ก็กลายเป็การอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาการดิคือความลําเอียงความยใจใจผูกพันกันมันก็พูดเป็นแนวหนึ่งความไม่ชอบกันมันก็พูดเปอีกแนวหนึ่งแม้ในเรื่องเดียวกันนั่นเองเพราะกระบวนการเหล่านี้ที่จริงแล้วทั้งหมดเป็นกระบวนการความขีดลึกแล้วก็ศึกษาให้เห็นโทษประจักษ์แก่ใจในขณะนั้น แต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันดูได้ยากเพราะว่าคนเรามักจะไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหายิ่งคนมีปัญหามากๆเช่นพวกคนที่ตกเป็นธาตสิ่งศษย์ติติดโดโรอินติดราติดขิ่นติดอะไรก็ตามหรือว่าเป็นเล่นการพ น, นันเกิดทำชั่วมีความชั่วที่จะต้องปกปิดจะเป็นคนอ่อนไหวต่อเรื่องเหล่า น, นี้มากใครพูดใกล้ไกล ความผิดของตนก็จะเกิดความหวาดระแวงเกิดความไม่พอใจใครมองหน้าหน่อยก็โกรธแล้วเกิดความหวาดระแวงเกิดความไม่พอใจแล้วแสดงเห็นเรองอะไรแสดงเห็นว่าตัวเองพยายามปกปิดเรียกรวบว่ามันจะเปิดเผยเลยไม่พอใจคนที่ตนคิดว่าเขาจะมาเปิดเผยความไม่ดีของตนเพราะเราสังเกตว่าคนที่ติดสิ่งเสพติดเป็นต้นเนี่ยหรือคนคอรัปชันทุจริตอะไรพูดเรื่องนี้ไม่ได้ คนแรกก็จะโกรธนั่นคือลักษณะจริงๆแต่ที่จริงไม่ใช่ลักษณะทั่วๆไปของชีวิตทั้งหลายเพราะพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าคนผ่านนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะคือหมายความชอบเพ่งโทษคนอื่นแต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตนเอง วันที่เจอกับบัณฑิตก็ต้องการให้คนอื่นชี้บอกความผิดพลาดความบกพร่องต่างๆของตนจะมากหรือน้อยก็ตามอย่างแนวการที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ให้พระสงฆ์มาปรานหากันคือขอให้ที่ควายหนึ่งสามารถบอกกล่าวชี้แจงตักเตือนห้ามปรามเราได้แม้ว่าเรื่องเหล่านั้นเพียงแต่ตนได้เห็น หรือได้ยินหรือแม้แต่เกิดความรังเกียจสงสัยว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ให้อาศัยความปรูณาว่วาเราตักเตือนได้ซึ่งหมายความว่าเป็นเครื่องมือในการสอนให้บุคคลได้รู้จักความผิดพลาดของตัวเองและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองในขณะที่เราไม่ยอมรับรู้หรือไม่ยอมเห็นแม้เห็นก็ไม่ยอมเห็นรู้ก็ไม่ยอมรับรู้นั้นและฟังความคิดความเห็นจากคนอื่น ซึ่งถ้าหากก็ทําได้ก็แสดงว่าได้แกจัดความรู้สึกปกป้องตัวเองในความกรุบเกลืดตัวเองในสมบูตมาเห็นว่าแนวทารกลุบเกลืดในแนวนี้มันลักษณะคล้ายๆกับนายพรานที่ไปซุ่มเงียบอยู่แต่ต้องการจะฆ่าสัตว์คือถ้าเรามองจากตรงนั้นเราจะเห็นว่าเป็นคนสงบสงเงียบเรียบร้อย ไม่อาไม่วยวายไม่ส่งเสียงจะค่อนไปทางนั่งสมาธิด้วยซ้าไปแต่จริงแล้วไม่ใช่ภายในจิตใจนั้นประกอบด้วยความโลภอย่างรุนแรงจนถึงวางแผนจะฆ่าคนอื่นเพื่อเนื้อไปกินแต่เป็นการกลบเกลื่อนตัวเองไม่นกนั้นเกิดหวาดกลัวหรือเกิดรู้ว่าตัวเองซุ่มอยู่แต่นั้นการแสดงออก ในเรื่องบางเรื่องจึงไม่ใช่เป็นการสะท้อนธรรมแต่เป็นการอำพรางเรียกว่าพฤติกรรมอำพรางต้องการจะกรบเกลื่อนเจตนาที่แท้จริงของตนจนกว่าตัวเองจะได้บรรลุผลในแรงนี้บางทีก็ออกมาในโลกของการปลอมแปลงตัวเองจะอยู่ในเพศของนักบวชในพระพุทธศาสนาหรือเบรุบรศาสนาต่าง เือจะใช้รูปแบบเหล่านั้นดึงดูดคนทั้งหลายให้เกิดศรัทธาเกิดความเคารพนับถือเกิดความไว้นเนื้อเชื่อใจและสามารถที่จะตอบสนองความโลภของตนเองที่ต้องการได้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นทึงนั้นสาธชนทั้งหลายเห็นว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่กามาชันเฉยๆแล้วมันเป็นอิจฉาเป็นความปรารถนาเป็นมายาเป็นความเสียแซง เป็นความโอ้อวดเป็นความเพ่งเล็งโลภอยากได้แต่ถูกกลบเกลื่อนเอาไว้ตอนนั้นเองในการดูให้เห็นก็สงสัยอยูที่จิตของเราคือไม่ดูที่คนอื่นในการศึกษาในรัฐศาสตรานั้นเราจะเจาะลึกในใจเราซึ่งเปิดกวีการทางวิชาการทางโลกที่มุ่งไปเจาะลึกใจคนอื่น จะต้องการจะเรียนรู้เรื่องของคนอื่นประเทศของคนอื่นเผ่าพันธุ์ของคนอื่นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องคนอื่นแล้วก็ไกลตัวเองเออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่รู้จักตัวเองหรือเกิดหลงตัวเองแต่ของพุทธศาสนานนจะเจาะนึกเข้ามาหาตนในส่วนจิตใ จ, จตรงนี้เมื่อนิวรณ์ก็ได้ก็หนึ่งเกิดขึ้นก็ทรงสอนรู้ว่านี้เป็นนิวรณ์นะเป็นสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดี แต่นี้เธอถูกนิวรณ์ข้อนั้นครอบงำอยู่ก็ดูซิเมื่อก่อนก่อนแต่นี้นิวรณ์ข้อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เวล น, นี้ก็เกิดขึ้นแล้วรุบรวมใจอยู่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงก็สืบสาวไปถึงต้นเหตุที่มาของนิวรณ์ดลดนั้นปรากฏว่าที่มาของนิวรณ์นะที่มาของกิเลสมันก็มาจากใจของเราเองไม่จะมาจากที่อื่น แน่ น, นอนว่าเกิดขึ้นจากใจไปเดี๋ยวนึกตรึกนึกถึงวัตถุภายนอกแต่การูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตนกำหนดหรืหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจแต่ตัวนั้นที่จริงไม่ใช่ตัวสำคัญอะไรเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปด้วยเหตุปัจจัยของเขาเท่านั้นเองที่เขามีอิทธิพลต่อใจเราก็เกิดขึ้นจากเราไปให้ความสาคัญแก่เขา ก็คล้ายๆกับเราไปในที่ใดที่หนึ่งซึ่งคนอื่นเดินได้โดยปกติแต่เราไปเกิดปรุงคิดคิดปรุงว่ามีผีดุอย่างนั้นอย่างนี้สิงสู่อยู่อย่างนั้นอย่างนี้จินตนาการขึ้นไปเรื่อยสะสมขึนไปเรื่อยในสุดก็เกิดกลัวเกิดความหวาดแวงเกิดความสะดุ้งเกิดอาการขนพองสยองกล้าจะอาจจะเกิดตกใจเกิดจับไข้อะไรต่างๆคือเราไปมองภาพไปบนใหญ่มองภาพไป น, น่ากลัวไปเจ๋เจ๋ เราก็ให้ความสาคัญแก่เขาเท่านั้นเองถ้าเราไม่ให้ความสาคัญแก่เขามันก็ไม่มีอะไรบ้างนาจะดูตัวอย่างง่ายๆเช่นเราสัมผัสกับความเย็นความร้อนความเย็นความร้อ น, นก็คือความเย็นความร้อนเย็นมากไปหน่อยร้อนมากไปหน่อยมันก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่เราไม่ไปให้ความสาคัญคือไม่เอาใจเข้าไปบวก มันก็เย็นเท่าที่มันเย็นร้อนเท่าที่มันร้อนแต่ถ้าเราใจเข้าไปบวกมากๆความเย็นมันก็เพิ่มขึ้นด้วยใจเราความร้อนจะเพิ่มขึ้นด้วยใจของเราเองเพราะเราจึงพบว่าคนบางคนที่มีอาการอย่างนี้สะสมไว่มากๆบาที่นอนกลางวันอย่างกลางมุงหมายความยังไงหมายความค้อสะสมความรู้สึกหวาดรวต่อความเย็นไวมาก ตอนแล้วก็ต้องกลางมุง้งผมผ้าป่วยผมผ้านวมไปเลยแต่อาศัยการเก็บการสะสมความรู้สึกตัว น, นี้เอาไปมากเพราะแนวนี้ถ้าก็ยืม ส, สอบไปถึงสาเหตุเกิดของนิวรณ์ในแต่ละขอ้อเจตวการมฉันนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรพยาบาทเกิดขึ้นมาจากอะไรทีน่าพิทักษเกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าเราถามเลยไปธีมันเกิดแก่ใคร เกิดแก่คนนั้นคนนี้หรือเกิดแก่เราเองก็แสดงเกิดจากใจของเราเพราะไรเพราะว่าในถ้ากลางความหนาวร้อนเดีย ว, วกันเรานั่งอยู่ด้วยกันคนบางคนก็รู้สึกสบายคนบางคนก็รู้สึกไม่เคยสนใจแตใจเท่าไรคนบางคนอาจจะรู้สึกเดืดร้อนหรื อ, ร, อรู้สึกกินดีเป็นเจนนี่แสดงว่าใจไปเป็นตัวกําหนดอารมณ์ข้างนอก แต่วความรู้สึกภายในใจเขาก็มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงภา ย, นยนในใจนั่นเองและในสุดก็ให้สืบสาวสืบสาะไปถึงว่านิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้สามารถที่จะสงบได้สามารถที่จะลดได้สามารถที่จะดับได้โดยวิธีใดก็ื่้ศึกษาถึงวิธีดับนิวรณเหล่านั้นในแต่ละขอ้อ ในการดับก็ทรงวางไว้หลายระดับไม่ใช่ว่าทำได้รวดเดียวรวดเดียวบางอย่างก็เพียงต่ลดความรุนแรงแต่นั่นเองคือไม่ให้เกิดมากเกินไปแล้วก็รุนแรงเกินไปบางระดับก็ใช้วิธีส ง, งบไว้นั่นๆจากวิธีของสีนั้นเราจะเห็นว่านิวรณ์ยังมีอยู่ระดับสีนนที่จริงนิวรณ์ยังมีอยู่ เพียงแต่ว่าบังคับไว้ไม่ให้ล้นออกมาข้างนอกเท่านั้นเองตัวที่จะสงบนิวรณ์ได้นานๆก็คือระดับสมาธิหม่ความในขณะนั้นใจมีสมาธิอยู่มีความสงบอยู่ใจมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวในขณะเดียวก็เพียงอย่างเดียวแปลว่าถึงจุดนี้เมื่อใจอยู่ด้วยสมาธินิวรณ์เหล่านั้นแม้จะมีอยู่ข้างนอกมันก็เข้ากุ่มรมจิตใจไปได้ แต่ไม่ถึงก็ตัดได้ขาดเปียงแต่ว่าตราบเท่าที่เรายัางมีสมาธิอยู่แล้วก็ออกมาจากสมาธิระยะหนึ่งถ้าไม่กระทบอารมณ์แรงเกิดไปเราก็สงบอยู่ได้จนบางทีก็ติดสมาธิมายความมาขี้เกียจจะออกจากสมาธิพอออกจากสมาธิเราก็เจออย่างนี้ทุกทีสู้อารมณ์ข้างนอกไม่ได้ก็กลายเป็นพวกติดสมาธิ ซึ่งว่าที่จริงแนละ้วก็ดีกว่าใจไม่มีสมาธิแต่ก็ไม่ดีในเหตุที่มันติดเราทำให้หยุดอยู่กัชีซึ่งควรจะเจริญก้าวหน้านได้ขึ้นไปยิ่งกว่านั้นมันก็ทาไปไม่ได้แลแ้วถ้าก็สอนให้มองเห็นโทษอีกระดับหนึ่งว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่เราบรรเทากับบรรเทาในช่วงที่ซึ่งบไว้ด้วยพลังสมาธิก็ซึ่งกไว้ ในช่วงที่ละได้โดยปัญญาคือตัดทตัดขาดไปเลยก็ใช้ระดับของปัญญาดังนั้นท่านสายชนทั้งหลายอาการของกิเลสจะเห็นอาการของกิเลสในสามระดับนั้นเช่นการขาโมยเนี่ยเป็นโลภะที่มันแรงและคุมไว้ไม่ได้ออกมาเป็นกายยทุจริต การเชิญชวนชักชวนคนอื่นให้กระทาทุจริตเพื่อได้มาถึงทรัพย์สินเงินทองในทางที่ไม่ชอบเป็นความโลภที่คุมไว้ไม่ได้แต่ไม่ถึงกระทำเองก็ออกมาแค่ไปเชิญชวนชักชวนคนอื่นหรือสั่งคนอื่นบางครั้งเราชื่นชมกับสิ่งที่ได้มาในทางไม่ชอบทำทั้งหลาย ก็ดืนได้เราก็รู้สึกชื่นชมกับเขาเขาให้เราเราก็รู้สึกยินดีที่ได้นั้นก็คืออาการของความโลภที่มันบังคับใจให้เกิดความชื่นชมยินดีในสิ่งเราตั้นก็แสดงไม่ถึงกักรรมฉันนิวรรนแต่เป็นแรงกรรมฉันนิวรรธน์นั่นเองเพียงมันแรงขึ้นจนถึงก็สามารถ คุมให้อยู่ในจุดของการปชันนิวรรแล้วก็สงบในจุดนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของสมาธิซึ่งก็หมายความว่าไม่ถึงกับละได้ขาดเพียงแต่ว่าสงบไม่ได้ตามกะลับบงของสมาธิที่เกิดขึนแต่พอถึงการสละการบริจาคการเสียสละทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนั่นก็แสดงว่า ป ร, ปริมาณธรรมะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนกำลังของกิเลสต้านทานไม่อยู่อาการกิเลสที่เคยสะทอ่อออกมาลักษณะต่างๆก็หมดไปแล้วกลายเป็นอาการของธรรมะเป็นนักบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้สงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นเรืงการกระทำเหล่าดนั้นจะเียนว่ามันเกิดขึ้นจากศรัทธาบ้างเกิดขึ้นความจรรัาปฏิดีบ้างเกิดขึ้นจากเมตตาบ้างกรุณาบ้างความรักบ้างความเคารพนับถือบูชาเป็นต้นไป อาการเหล่านี้ด้แล้วจะเป็นอาการของูสุดลและธรรมซึ่งก็หมายความเมื่อเขาเกิดขึ้นเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วในที่สุดมันก็ขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาคล้ายๆกับอาหารที่รับประทานเข้าไปนอกจากเขาจะช่วยเราอิ่มอาหารแล้วยังช่วยขจัดความผีิดปเราด้วย ในความหิวนั่นเองทําให้ทรียบแรงเราไม่ค่อยมีรู้สึกอ่อนเปรียเพราะงั้นเมื่อความอิ่มเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะขะจัดความไม่มีแรงความอดเปรียออกไปด้วยสแสดงว่าพระ ก, กุศลธรรมเวลาเขาเกิดเขากทําที่เขาสองอย่างหลักๆและหน้าที่ที่ต่อเนื่องกับสิ่งที่เขาทําคือหมายความว่าสแสดงสถานะของตนออกมาแล้วขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนแล้วก็ ให้อาการของตนนั้นปรากฏขึ้นภายในใจแต่ครูสนเองเาก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะในจุดนี้เมื่อเราลดไปได้ละไปได้ขนาดใดก็ให้ตรวจสอบดูในแนวนั้นว่ามันลดไปได้จริงหรือเปล่ามันก็ดูแล้วคล้ายๆกับการปรุงอาหารแล้วก็จิมการรีดผ้าการทำงานแล้วก็ดูความเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยก็ถือว่าเรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็แก้ไขเรียบร้อย การตรวจทางจิตมีลักษณะอย่างนั้นหมายความเราทำเองเราตรวจสอบเองแล้วก็ดูเองแต่ยังบกพร่อมก็แก้ไขเองถ้าดีแล้วก็ไปแก้ไขในจุดอื่นต่อไปเาะนั้นบางทีเราจึงพบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเอาภาชนะต่างๆท้องเหลืองใบหนึ่งมาให้นั่งดูแล้วไปนั่งขัดดูว่าขัดแล้วเราก็ดูขัดให้มันสะอาด ขัดได้หมดสนิมขัดได้เรียบร้อยก็ถูไปถูไปแล้วก็ดูแต่ยังเห็นว่าไม่เรียบร้อยก็ขัดต่อก็ดูแล้วไม่เรียบร้อยก็ขยับไปขัดในจุดอื่นก็แสดงว่าทองเหลืองสนิมทองเหลืองเหล่านั้นก็จะถูกกระจัดไปเรื่อยๆบริเวณที่มีความสะอาดป ร, รากฏก็เพิ่มขึ้นบริเวณที่มีสนิมก็จะลดลดลงไปพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็ จะหนิมก็หมดไปนั้นก็หมายความว่าเป็นเป้าประสงค์ในการขัดพัชนะไปนั่นถ้าเราก็อาขัดอยู่นานก็อาจจะดูจากการล้างถ้วยล้างจานการถูพื้นการอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าเราทําความสะอาดในการทําความสะอาดนั่นเองก็ได้ทําหน้าที่ขจัดจิงสกรปรกออกไปด้วยจึงก่อให้เกิดผลตามที่เราต้องการ ไอตอนสกปรกก็ใช้บริโภคใช้สอยจะตั้งจะยืนก็รู้สึกรังเกียจก็อยะกระย์แต่พอสิ่งห น, น, นี้นลดไปมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตดีจิตใจก็บุคคลที่มีการลดละกิเลสมันก็แนวนั้นตอนนี้ไปก็พอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป